ภาวนาให้ปฏิบัติเหมือนกับเราทำทุกวันให้ทบทวนตรวจดูที่เราปฏิบัติมาวันไหนครั้งไหนได้รับความสงบได้รับความสุขความสบายที่ได้รับมาแล้วเราก็พยายามระลึกทบทวนดู แล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่เราเคยปฏิบัติมาทางนี้เป็นทางที่ถูกทางนี้เป็นทางที่เหมาะสมกับจริตจิตใจของเราจริตที่ยังไม่สงบก็สงบได้จิตที่ยังไม่รู้ก็รู้ได้ยังไม่เห็นก็เห็นได้ เห็นอะไรรู้อะไรคือเห็นธรรมรู้ธรรมกรรมฐานที่เราได้ตั้งใจไว้เราต้องการความสงบ ก, ก็เห็นความสงบรู้ความสงบปรากฏขึ้นเป็นขึ้นมาในจิตใจเราต้องการสติและลึกต่อเนื่องกันไม่ให้เผลอ สติก็ทำงานให้เราต่อเนื่องกันไม่เผลอทำไปตามที่เราตั้งใจไว้แปลว่าจิตควรเก่การงานจิตกรรมยาตากายก็กรรมยาตากายก็ควรเก่การงานคำว่ากายควรเก่การงานคือควรเกะ กรมการกระทําคือภาวนาะกายของเราเวลานั่งมันก็นั่งให้เราเวลาเราต้องการความสงบ ก, กายประสาทที่เรานั่งทับก็ไม่รู้สึกว่าปวดเจ็บขึ้นมาทำให้กายของเราเบาสบาย น, นี่ความสุขทางกายเกิดขึ้นเรียกว่ากายควรแกการงานหรือกายยาลหุตากายก็เบากายยปคุณยุจตากายก็อ่อนไม่ขัดไม่คล่องในเรื่องที่จะให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขมันเป็นไปตามทุกอย่าง นี่ในส่วนกายส่วนจิตก็เช่นเดียวกันจิตก็เบาไม่ไปตามอารมณ์ต่างๆมันไม่หนักไม่เป็นทุกข์ไม่ยากจิตก็อ่อนน้อมไปตามธรรม เพื่อความสงบเพื่อความวิเวกเรียกว่าจิตอ่อนจิตตปัตสัิจิตก็สงบมันพร้อมที่จะสงบเมื่อครั้งใดเราปฏิบัติอย่างนี้เราก็จำไว้ เพราะการสงบนั่นจะต้องมีสิ่งแวดล้อมช่วยอำนวยให้สงบด้วยไม่ใช่ว่าจุจูก่ก็สงบถ้าอย่างนั้นมันก็สงบได้ทุกคนสงบได้ทุกครั้งที่ไม่สงบเพราะเรารักษาไม่ได้สิ่งแวดล้อมนี่มาอกวนที่เราไม่มีสติจมรวมระวังรักษาออปฏิบัต ให้อยู่ในทางแห่งความสงบอยู่ในอัตต า, าแห่งที่จะให้เกิดความสงบเกิดความสุขเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการสํารวมกายสํารวมวาจาถ้าหากเราไม่สํารวมกายไม่สํารวมวาจาจะให้จิต สงบแต่ฝ่ายเดียวมันก็ยากเพราะกายกับวาจาจิตนี่มันเกี่ยวเนื่องกันมันอุปทานยึดถือซึ่งกันและกันเพราะกายเราก็ถือว่าเป็นของเราวายจาก็ถือว่าเป็นเราเป็นผู้พูดจิตใจก็ถือว่าเป็นเราผู้คิดเลยมันรวมอยู่ที่เราทั้งหมด ถ้าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยเราแล้วการปฏิบัติเราเติมเป็นจะต้องแล่ซํำรวมจะต้องรักษาคุ้มครองดูแลแเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรในสิ่งที่เราไม่ต้องการปฏิบัติใน กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องที่ให้ผลมาในทางที่ไม่ดีเพราะเราไม่ต้องการแต่เราต้องการความสงบความสุขแล้วเราต้องปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะที่ควรตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยเช่นท่านสอนให้รักษาศีลก็รักษากายรักษาวาจาอันนี้เป็นทางที่เหมาะที่ควรที่จะให้เกิดความสงบความสิเวกรักษากายไม่ให้ไปทําความเดือดร้อนบุคคลผู้อื่นหรือสิ่งอื่นไม่ทํากรรมอันเป็นเมรเป็นไภัยหรือในทํากรรมที่ไร้ประโยชน์ เจนชางขนองทางกายต่างๆเพราะสิ่งเห่นี้จะเกิดอารมณ์สะท้อนมาถึงจิตใจทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจขนองทำให้จิตใจสงบได้เหมือนกันวาจาก็เช่นเดียวกันไม่ให้พูดขนองเมื่อเราพูดไรสาระแล้วมันก็ กระทบกระเทือนถึงจิตใจก่อกวนจิตใจให้เศร้าหมองไม่ให้สงบไม่ให้ได้ความรู้ความฉลาดไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวเนื่องถึงจิตใจเพราะฉะนั้นนักภาวนาะเราต้องสังเกตเราต้องรู้เรื่องกายเราต้องรู้เรื่องวาจาของเรารู้เรื่องกายของเรา เป็นเครื่องมือที่เราสาหรับใช้ถ้าเราใช้เครื่องมืออันนี้ถูกต้องเครื่องมือนี้ก็มีคุณมีประโยชน์แต่เราใช้ตายนี่ไม่ถูกต้องเครื่องมือนี้ก็กลับเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยแก่ตัวของเราคนที่ใดทุกข์ใดโทษไม่ใช่ได้จากไหนได้จากการใช้เครื่องมือคือตาย ยักรรมในทางอันเป็นบาปเป็นอกุศลทั้ทงนั้นแล้วก็พ้นได้รับโทษได้รับโทษแก่ตัวเองทั้งผู้กระทาและทั้งผู้ถูกกระทาทั้งสองฝ่ายไม่มีประโยชน์แม้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อเราตรวจตรองพิจารณาเห็นชัดเป็นสัจจะธรรม คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าอมัมตะธรรมก็มาได้เพราะคำเหล่านี้เป็นความจริงตั้งแต่อ ด, ดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยเปลี่ยนแปลก์แต่เราตรวจรองดูแม้แต่เราไม่ใช้ในปัจจุบันก็เป็นของจริงไม่ประสิทธิภาพ ที่พระองค์ทรงสั่งว่ารมชั่วมาทําแล้วมันเกิดทุกข์เกิดภัยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องกล่าวลอยลยที่เราตรองตามไม่ได้หรือรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เมื่อเราตรวจ ด, ดูแล้วเห็นประจักษ์จริงๆทั้งทางกายทั้งทางวาจาเหมือนกับเป็นตัวเป็นตนเป็นพยานหลักฐานโยตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นคำพูดลอยๆเมื่อมีพยานหลักฐานในเราเห็นแจ้งไปจากเราจะสงสัยอะไรอีกในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วในเรื่องการถูกการผิดเราพิจารณาให้มันชัดอย่าสักแต่ว่าพิจารณาเมื่อเราไม่สงสัยแล้วการปฏิบัติของเรา มันก็ขาดจากกันในเรื่องความชั่วที่เราไม่ต้องกับแล้วก็ตัดขาดได้เพราะเราไม่สงสัยไม่ลังเลใจในการที่เราจะละเราจะถอดจะถอน <c oughs> เพราะไ่เป็นทุกข์เป็นภัยแล้วใครจะไปเอาที่มนุษย์ทั้งหลายหลงประพฤติปฏิบัติก็เพราะคาว่าความหลง สำคัญผิดเข้าใจผิดเพราะไม่เห็นชัดมันเปลี่ยนแปลงมาหลอกในรูปต่างๆให้เราหลงเพราะเราไม่ได้รู้เบื้องต้นทำกลางและที่สุดคำว่าเบื้องต้นทำกลางที่สุดคือความดำริผิดเราก็ไม่รู้ เมื่อเราไม่มีสติตามรู้ความดำริของเราเบื้องต้นนะการจะเคลื่อนไหวทางกายจะกระทำเราก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรหรือไปรู้ที่ผิดนึกว่าเป็นความดีตามที่เราดำริผิดขึ้นมาเมื่อทำลงไปแล้ว เราก็นึกว่าเราทําดีทําที่ได้ประโยชน์นี่ในท่ามกลางเวลาผลทุกข์ปรากฏขึ้นมาเราก็ไม่รู้อีกว่ามันมาจากไหนเลยเท่าใจว่ามาจากดวงจากดานี่แหละที่ว่ามันมืดไม่รู้เบื้องตน้นไม่รู้ท่ามกลางไม่รู้เบื้องปลาย เพราะเราไม่ได้ตามไม่มีสติระลึกตามให้ต่อเนื่องกันจนผลปรากฏออกมาถ้าเราพยายามระลึกยอมรู้ได้เห็นได้ทั้งเหตุทั้งผลที่เกิดขึ้นแก่ตนแล้วเส้นสงสัยตัดสินได้ขาดอย่างแน่นอน เพราะจิตมันไม่ชอบสิ่งที่ทุกทุกอยู่แล้วแต่มันอาศัยมันหลงยังไม่ฉลาดไม่มีธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าจัดจะทำเข้าไปช่วยเหลือนี่ต้องอาศัยช่วยเหลือเหมือนกระตาของเราถึงแม้ว่าดีแสนดีถ้าไม่มีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือไม่เห็นอะไรเลย เมื่อไม่เห็นแล้วมันก็ไม่รู้อะไรต้องมีแสงสว่างเข้าไปช่วยเหลือจึงเห็นเห็นแล้วถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นแล้วก็ไม่รู้จักมีผู้รู้ก่อนเห็นก่อนบอกเราเราก็ไม่รู้จัก ที่เรารู้รู้ทุกวันนี่ไม่ใช่เรารู้จักตัวเรานะอย่าทิฏฐิสำคัญว่าเรารู้เราฉลาดแท้จริงเรารู้จากคนคนก่อนรองเรียกมาเรารู้หนังสือก็อรู้จากผู้อื่นเขาบอกเขาพาอ่านพาเรียนพาเขียนจึงรู้ได้แต่คนที่ไม่ได้เรียนไม่ไม่ทำตามไม่ ฝึกตามแหละมันก็ไม่รู้ถึงหนังสือมีอยู่ก็อ่านไม่ออกเรื่องในหนังสือมีอยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอย่างไรนี่ถ้าไม่ฝึกเพราะฉะนั้นอย่าทนงตัวติติว่าเราฉลาดเราไม่มีรู้อะไรฉลาดเพราะผู้รู้ก่อนมีมาก่อนนะเราเรียนตามทั้งนั้นให้เข้าใจให้ถูกต้อง การเข้าใจอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรเราจะได้ทำความพอใจเรียนตามปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ชนองตัวว่าเรารูอไม่ชนองตัวว่าเราเห็นโดยทั้งทั้งผิดจริงแล้วมันยังไม่รู้ไม่เห็นหรือเรารู้ว่าเราโงา่แล้วเราก็จะได้เะกเกียรติกายศึกษาให้ฉลาดขึ้นมาจะได้ตามขึ้นมา นี่แหละกิเลสเล็กๆน้อยๆสลับซับซ้อนที่ขัดขวางปกปิดที่เรียกว่าอาวิชชามันซ่อนตัวอยู่ในความรู้ความฉลาดนี่เองที่เราสําคัญผิดรู้ผิดจึงได้เรียกว่าหลงอวิชชามีอยู่ก็สําคัญว่าไม่มีไม่เห็นสําคัญว่าเรารู้เราฉลาดเพราะตาะเพราะคิดเพราะนึกได้ เพราะทำได้เหนือกว่าเราฉลาดตัวฉลาดที่แท้จริงคือตัวกจัดทุกข์กจัดไข่ในสิ่งที่เราไม่ต้องการนี่เป็นตัวฉลาดฉลาดตัวนี้อาศัยธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่อแม่นยำ เราเชื่อได้ยึดเป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิตจิตใจได้มอบกายถวายชีวิตยอมเป็นทาสเป็นผู้รับใช้ทมคำสอนพระพุทธเจ้าได้สมที่เราสวดพุทธสร้างฮัตสัมมิดาโซวะธรมรมสร้างฮัตสัมมิดาโซวะสังคัดสร้างฮัสัมมิดาโซวาเรายอมเป็นทาสรับใช้พระพุทธเจ้า เราเชื่อโดยความบริสุทธิ์ใจเรายอมรับใช้เป็นทาตพระธรรมเราเชื่อโดยความสนิทใจแต่ไม่เป็นทาตใครก็ตามขอให้เป็นทาตพระธรรมยอมรับใช้ยอมประพฤติปฏิบัติตามถ้าเรายังไม่เป็นทาตใครก็ยอมเป็นทาตพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ายอมประพฤติยอมปฏิบัติยกขึ้นเป็นใหญ่กว่าที่เดียว จึงจะสามารถที่จะเอาชนะกิเลสผู้เป็นใหญ่ในจิตใจของเราที่มันครอบครองบังคับที่เราเป็นทาตุพระพุทธเจ้าเสรศกว่าเป็นทาตกิเลสเป็นทาตความโลภความโกรธความหลงมันใช้เราทํากรรมชั่วชาลามกต่างๆส่วนเป็นทาตพระพุทธเจ้าเป็นทาตพระธรรมเป็นทาตพระสงค์พระองค์ ยกฐานะให้เราได้ประดับประดาชำาะกายร่างกายทารูปเปลี่ยนภัยนอกเครื่องประดับอันสวยงามบริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะเศ้าหมองฉันใดถ้าเรายอมเป็นทาสประพุทธประทมประสงค์ทำให้กายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจสะอาด ไม่มีเวรไม่มีภยัยมีแต่จิตใจเพื่อแผ่เป็นบุญเป็นกุศลบังเกิดผลประโยชน์ตามระดับจนสามารถพ้นจากพุกิภัยในวัฏะทสงสารดับกิเลสตัญหาเข้าจิตใจได้เข้าสู่ปรินิพพานเป็นความสุขอันถาวร เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราถือว่าเรามีโชคดีแล้วพยายามประพฤติปฏิบัติศึกษาให้รู้จริงแจ้งกระจับไม่ใช่เป็นสิ่งทจ่เหลือวิสัยที่เรารู้ไม่ได้เพราะมันมีอยู่แต่อาศัยเราเลินเล่อเผลอตัวมัวเมาไปในเรื่องตาม สังขารที่หลอกมีอยู่ในโลกสันในวาสอันนี้ไม่ได้พินิษ์พิจารณาตรวจรองอย่างแท้จริงขอให้เราทาั้งหลายพยายามกำหนดจดจำไว้ตั้งใจภาวนาดูกายดูวาจาตลอดถึงจิตใจของเรา แล้วมารักษาใจของเราเอาทำคําสอนพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบเราก็ต้องรู้จักวิธีให้จิตใจสงบเราเราจิตใจสงบถ้เาเรารู้ไม่รู้จักวิธีทําจิตใจให้สงบเราก็มาตรวจดูจิตใจที่ไม่สงบ ก็ได้ไม่ใช่ดูแต่สงบอย่างเดียวอะไรบ้างที่จะมาก่อกวนจิตใจของเราให้ไม่ให้สงบนี่ความโลภก็ก่อกวนจิตใจของเราไม่ให้สงบความโกรธก็ก่อกวนจิตใจไม่ให้สงกความหลงทุกขังที่เราโลภทุกขังทีง่เราโกรธทุกขังที่เราหลงล้วนแต่ไม่ให้สงบทั้งนั้น ทุกครั้งที่เราปล่อยจิตของเราให้มูเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เราชอบเรารักก็ล้วนแต่ทำให้จิตใ จ, ใจไม่สงบเราก็รู้แล้วเนี่ยทางไม่สงบเพราะฉะนั้นอันนี้เราควรละเมื่อเราละสิ่งที่มาแห่งความไม่สงบได้หมดแล้วอะไรเราเลืออยู่ในตัวของเราลองคิดดูน มันก็เหลือแต่ความสงบเพราะไม่มีอะไรโกรกโนะ่ะแม้เราพิจารณาเห็นโทษอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติเจริญมักเพียรพยายามก็เพียพรพยาพ ย, พยามชอบความระลึกเห็นโทษเห็นทุกข์ที่มีอยู่เพราะมันมีแล้วในตัวของเราก็ชื่อว่าเห็นช่อบก็เห็นทุกข์เห็นของจริงก็กลายเป็นอริยสัจ มันก็ซับซ้อนอยู่ในทีศนีเ้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูความทางมาเห็นความสงบมันยากเราก็ต้องดูทางมาเห็นความไม่สงบเราจะได้เห็นชัดขึ้นมานี่เรียกว่าอุบายเรียกว่าฉลาดในการดูในการพลิกดูในการปฏิบัติถ้าอย่างนั้นเราก็งมหาอยู่ตลอดอะไรไม่เด่นชัดขึ้นมาก็ไม่ชัดสักอย ต้องให้มันชัดในจิตในใจแล้วมันไม่สงสัยการดูการมองการยิบยกขึ้นมาปฏิบัติในจิตใจเราจะได้เห็นความสงบในกายก็มีจริงจริงความสงบของวาจา ก, ก็มีจริงจริงเพราะความรู้จักความไม่สงบทางกายให้เกิดความไม่สงบเราทําอย่างไร เราพูดอย่างไรไมันไม่เกิดทางสงบเราก็จะตรวจอีกดูถึงจิตใจเราคิดอย่างไรไม่เกิดความสงบแน่ขยับไปจนถึงจิตใจเมื่อเรารู้จักแล้วเราก็ไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วไม่มีอะไรก่อกวนแล้วเราจะว่าอย่างไรเราไม่ต้องหาความสงบมันก็บจิตก็เป็นอิสระ และสงบอยู่เองเหมือนกับเราไปจัดมืดไม่ต้องไปหามืดเพราะมันมืดมั่มีแลไวไม่ต้องออมัวจะไปคิดไปหาไฟอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นค่าศึกกับความมืด เ, เราเอามาติดจุดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเองชั้นได้ เมื่อเราต้องการความสงบเราตรวจดูความไม่สงบมันมาจากไหนเมื่อเราเห็นแล้วเพราะความไม่สงบมันยากมันพอเห็นได้ง่ายกว่าที่ความมาทางมาเห็นความสงบเพราะฉะนั้นในอริยสัจธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงยกขึ้นทุกข์ขึ้นก่อนเพราะมันยาก มันเห็นได้ง่ายกว่าความในอย่างอื่นง่ายกว่าสมุทัยตัวกิเลสเราก็พยายามศึกษาว่าทุกข์ในมันมีจู่เฉยเฉยเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเหตุทุกข์เราก็พยายามศึกษาว่าทุกข์ในมันมีจู่เฉยเฉยเมื่อไหร่มันก็ต้องมีเหตุ ทุกครั้งเราทําอะไรทุกเกิดมาทุกครั้งเราพูดอะไรทุกครั้งเราคิดอะไรเรามีความเห็นอะไรจึงทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้สมุทัยที่มาจากความคิดความนึกปรุงแต่งจากจิตใจมันมีให้เราเห็นนะมันไม่ใช่ไม่มีเพราะพุทธเจ้าไม่ได้สอนสิน่งจะไม่มีแต่เราไม่ยอม ปฏิบัติให้มีระเบียบมีสัดส่ในตัวของเราเองไม่ดูให้มันมีกฎเกณฑ์ในการดูเรียกว่าฉลาดในการดูฉลาดในการปฏิบัติฉลาดในอุบายในการรู้การเห็นถ้าเราทำอย่างจริงจังให้ฉลาดอย่างจริงจังเนอะมันก็ต้องรู้ได้เห็นได้เป็นได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นแต่นคนอื่นเพราะ มีด้วยกันทั้งนั้นไม่ทุกเหล่านี้ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าก็สมควรที่จะรู้ได้เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะสาวกอรหันหแต่สาวกของพระพุทธเจ้าจึงรู้ได้แต่เฉพาะทั้งในตัวเราก็มีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาทําไมเรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ เราขาดความจริงใจขาดการสดับตรับฟังขาดการเชื่อขาดการน้อมไปใช่อย่างจริงจังนี่เองด้วยสิทธิสําคัญว่าเรารู้เราฉลาดนี่เองถ้าหาการรู้ว่าเราไม่มีอะไรรู้เลยที่เรารู้ทุกอย่างเนี่ยเพราะถ้าครับรู้จักผู้รู้มาก่อนการรู้จักเข้ารู้จักน้ําก็ไม่ใช่รู้แต่เรา เกิดมาเรารู้อะไรถ้าเขาไม่บอกแลาเขาไม่เอามาใส่ปากเราได้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราเพยอยางชำระชำระติเลศความเข้าใจผิดความสนุงผิดสำคัญตัวสำคัญ ต, ญตนอาหารการมามังการถ้าเรารู้ความจริงเราจาแนกออกไปแล้วเราไม่มีอะไรมีประโยชน์สักอย่างเลย ยิ่งจะเห็นไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเปลีจจ่ยนแปลงต่างๆของอารมณ์ของรูปของเสียงกลิ่นรส้วยตลอดถึงของขันท่าทุกอย่างไป แ, แล้วยิ่งจะเห็นชัดยิ่งจะปล่อยวางไม่เข้าไปสําคัญถิดยึดถือ เมื่อแยกไปดูทั้งหมดละเอียดไปแล้วไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สงบสงบสุขอย่างแท้จริงคือเอกลักษณ์ของจิตก็คือไม่คือธาตรู้อันบริสุทธิ์เหมือนกับธาตุทองคำที่เป็นเอกลักษณ์ก็เพราะมันเหลื่อมใสกันในตัวของมันเองไม่มีอะไรมาทำให้มั น, มมนเศร้าหมองเปลี่ยน มนุษย์จึงมีนิยมชมชอบจึงมีคุณมีค่าในเอกลักษณ์ของทองคำถ้ามันเปลี่ยนแปลงมันเศร้าหมองมันไปอย่างอื่นแนละ้วมนุษย์ก็ไม่อยากจะเอามาทำอะไรถึงจะมันเปลี่ยนแป่งเป็ น, ป น, ปนรูปประพันธ์ต่างๆแต่เอกลักษณ์ของสีวันณะของมันมันอยู่คงที่มันมีอันหนึ่งประจัาตัวของมันเช่นว่าธาตุดิน มันก็มีอันหนึ่งประจำตัวของมันถ้ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็ไม่คงที่ธาตุน้ำมันก็คงที่ของธาตุน้ำส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นกิริยาที่ไม่ใช่ธาตุเดิมดั้งเดิมแท้มีอันอื่นมาผสมที่เข้าไปแทรกซึมอยู่ด้วยแต่ส่วนธาตุเอกลักษณ์ของมันก็คือสืมทมซาบ มอยโยได้ทั่วไปทำให้ไปถึงทราบที่ไหนก็ทำให้ชุ่มชื้นธาตุลมก็มีลักษณะพัดไปไม่หยุดนิ่งเอกลักษณ์ของมันแรงเบามาก่อไหร่เขาจึงนิยมเมื่อต้องการไทยมันเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องอาศัยลมธาตุไฟเป็นก็มีเอกลักษณ์ของมันธาตุจิตละ่ะ เมื่อรู้จักธาตุจิตแท้แล้วนั่นแหละธาตุอมตะก็ไม่เรียกวาจิตก็ได้ไม่เรียกว่าเราว่าเขาก็ได้แต่มันมีธาตุแท้เหนือทิตสมมติอะไรปรงแต่งไม่ได้เหมือนกับธาตุน้ำทั้งธาตุแท้หรอกใครแต่งไม่ได้ใครเปลี่ยนไม่ได้มันต้องเป็นน้ำบัญญัติธรรมใครจะทำอะไรไม่ได้ จะไปเป็นธาตุดินก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุลมก็ไม่ได้จะไปเป็นธาตุไฟก็ไม่ได้ต้องพิจารณาให้ถึงธาตุธาตุดินก็จะไปเป็นธาตุน้ำธาตุลมไม่ได้ใครจะปรุงแต่งเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เป็นเราเป็นเขาเป็นตนไม่ผูกเขาเรากากันเรียนได้ส่วนที่เป็นไปได้เรียกว่าฐานะส่วนอัฐานะไม่มีใครทาได้ ยูเอกลักษณ์ของมันนักวิทยาศาสตร์ัึงจะฉลาดรู้แต่อย่างทุกอย่างาแท้แต่งที่เรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณเรียกว่ามาโนเรียกอะไรก็ตามตามซีเถอแต่มันธาตุแท้มันก็ต้องมีเอกลักษ์อันเดียวหลักอันเดียวเท่านั้นคือธาตุรู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย สร้างใจพิจารณาตามความจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้แก้ความหลงความเข้าใจผิดเราจะได้เดินทางอยู่ในฐานะอันถูกต้องและมั่นคงไม่หวั่นไหวในโลกประธรรม ทำที่มีอยู่ประจําโลกจะเป็นสังขารธรรมประเภทไหนก็ตามอยากละเอียดนอกในอย่างไรก็ตามเราก็แจ้งประจักษ์ในใจสิ้นสงสัยจะมีอะไรนอยจะทําทให้เราสงสัยอีกเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วกําหนดจดจําให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจะได้ประสบความสุขความเจอ จากนี้ไปภาวนาต่อสมควรเก่เวลาแล้วจึงคอยเลิกพร้อม